สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านค่ะกลับมาพูดคุยแล้วก็กลับมาฟังเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะวันนี้เปิดเรื่องกันด้วยเรื่องของสาระกันบ้างค่ะที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงนะคะเป็นเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติเหนือศรัทธานั่นคือผีย่ามอนึ่ง ที่เมืองพะเยานะคะเป็นการทำนายทายทักเหมือนมีชีวิตชี้แนะการแก้เคล็ดรวมทั้งการเจ็บป่วยมีผู้สูงอายุได้ร่วมกันสืบทอดตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนรุ่นปัจจุบันกว่า 1,000 ปีนะคะโดยเราได้ติดตามความเชื่อความศรัทธาเหนือธรรมชาติที่ผู้คนต่างให้ความสนใจศรัทธาแล้วก็แปลกใจกับสิ่งที่พบเห็นที่มีสองยายผู้สูงอายุค่ะได้ร่วมกันสืบทอดรักษาแล้วก็อนุรักษ์ไว้มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จนถึงรุ่นปัจจุบันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของผีหญ้ามอนึ่งค่ะหรือว่าผีหญ้ามอนึ่งเนี่ยที่มีความสามารถในการทํานายทายทักนะคะแล้วก็ชี้แนะการแก้เคล็ดรวมทั้งการเจ็บป่วยจนเนื้อเกินธรรมชาติค่ะเนื่องจากที่บ้านของยายแก้วเขียวสืบอายุ81ปีเป็นคนในพื้นที่หมู่4บ้านศาราตําบลท่าวัง อ่าท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยาแล้วก็ยายเรือนมูลชยสารอายุ80ปีนค ะ, ะอยู่บ้านเล็กที่124หมู่8ตำบลเดียวกันได้ใช้สถานที่บ้านใหญ่แก้วเขียวสืบนะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดพธิธีกรรมผีย่าหม้อนึ่งขึ้นค่ะสำหรับผีย่าหม้อนึ่งนี้ตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณการของชาวล้านนาถือว่าเป็นผีอีกรูปแบบหนึง่งที่ใช้หม้อนึ่งข้าวเอามานุ่งนุ่งห่มด้วยผ้าสีดา แล้วก็มีไม้กระดานสอดแล้วก็ใช้คน2คนเอามือประคองไว้คนละด้านพร้อมกับมีขันครูประกอบไปด้วยกระ ด, ดง้งหมากพลูดอกไม้ทูบสีค่คู่ข้าวสารแล้วก็เงินค่าขันตั้งยี่อาร์ค่าขันตั้งนะคะ20บาทค่ะ เมื่อขึ้นครูหรือว่าขึ้นขันตั้งเรียบร้อยแล้ว2ยายก็จะถือเอาผีหญ้ามอนึ่งมาครอบลอยไว้บนขันตั้งเมื่อผีย่า้ามอหนึ่งเข้าแล้วก็จะมีอาการสั่นไหวโยกเยกไปมาของมอนึ่งที่2ยายถือไว้นะคะเมื่ อ, อผีมอนึ่งโยกไปมา ผู้ที่มาขอขึ้นขันตั้ง20บาทนะคะก็จะถามถึงเรื่องดวงชะตาปัญหาชีวิตการงานการเงินความรักตลอดจนเรื่องการแก้กเคล็ดคุณใส่แล้วก็อื่นๆอีกมากมาย ผีย่ามะนึงก็จะตอบได้หมดค่ะโดยยายแก้วยายายายแก้วเนี่ยก็จะเป็นล่ามระหว่างผีย่ามะนึ่งกับคนมาถามแล้วก็จะได้คำตอบเป็นที่น่าพอใจกลับบ้านไปทุกกระยซึ่งก็ได้สร้างความแปลกใจให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณยายแก้วเขียวสืบกล่าวว่าจะรับทำพิธีทุกวันยกเว้นวันพระแล้วก็ได้ เป็นคนทำพิธีผีย่ามนึง่งสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่มาตั้งแต่สมัยเป็นสาวอายุ19ปีจนปัจจุบันนี่81 –ปีแล้วแล้วก็เป็นคนทำพิธีผีย่ามนึง่งมาแล้ว62ปีที่บ้านของตัวเองส่วนเรื่องผีย่าเมเนึ่งเนี่ยมีมานานแล้วนะคะตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่หลายชั่วอายุคนของคนเราเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติและศรัทธาของแต่ละคนแต่ละ แต่ว่าคนเหนือก็ได้นับถือกันมานะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนับว่าหาดูได้ยากเพราะว่าไม่มีใครสืบทอดพิธีกรรมผีย่าหม้อ น, นึ่งแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังที่บีเองก็ไม่เคยรู้ว่ามีเหมือนกันก็เลยไปเจอมาพอเจอมาก็เลยบอกเออแปลกดีเหมือนกันก็คงจะคล้ายคล้ย ก, กันกับผีฟ้า เพียงแต่ว่าผีฟ้าผีแถนเนี่ยคือเราเคยได้ยินมาแล้วไงแต่ว่าผีย่ามนึ่งเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้ยินถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ติดตามฟังในอ่า t u b e พระเจอผีมาตลอดนะคะก็จะเคยได้ยินแหละเรื่องของผีกระด้งอ่าผีย่ามะอนึ่งนะคะที่เพิ่งจะเล่าไปผีฟ้าผีแถนแล้วก็จะมีผีหมอนอ่าทางการจนบุรีนะคะซึ่งเป็นผีแปลกๆนี่แหละนะคะที่เอามารวมไว้ในที่นี่ แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็ความเชื่อความนับถือของคนแต่ละภาคแต่ละจังหวัดกันด้วยนะคะเอามาเล่าให้กับคนที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ไม่คิดว่าเออเรื่องแบบนี้ก็มีอยู่จริงในประเทศของเรานะคะทีนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวสยองขวัญกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของผีวิ่งไล่คุณรู้ฟังก็คือเจอเมื่อประมาณปี2559นะคะเจ้าของเรื่องเนี่ยบอกว่า ผมเจอมากับตัวเองเลยซึ่งปกติเป็นคนที่เชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณแล้วก็เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอาจจะเป็นเพราะว่าทําบุญแล้วก็เข้าวัดบ่อยแต่ว่าเขาเป็นคนไม่กลัวผีนะถ้าถามว่าเคยเจอไหมตอบได้เลยว่าเคยเจอตอนเรียนปีสองล่าสุดเนี่ยเจอตอนชุ่ดตเทศกาลปีใหม่เนีคะเข้าเรื่องเลยและกัน คือเดินทางออกจากกรุงเทพประมาณบ่าย2โมงค่ะเดินทางคนเดียวด้วยระยะทางห้ารอย่กิโลเมตรใช้เวลาขับรถประมาณ8ชั่วโมงก็ถึงบ้านประมาณ4ทุ่มแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดก่อนถึงหมู่บ้านนะคะช่วงประมาณเกือบสี่ทุ่มเนี่ยผมเดินทางมาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างจากบ้านผมเพียง4กิโเมตรเมื่อถึงโค้งหนึ่งซึ่งเป็นโค้งทางออกหมู่บ้านลักษณะคือโค้งขวาแล้วก็โค้งซ้าย นะคะไฟข้างทางคือไม่มีคือมืดมิดหมดเลยซ้ายมือจะเป็นต้นจามจุรีหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักต้นจามจุรีก็คือต้นฉำฉานั่นเองเป็นต้นที่แบบขนาดใหญ่มากถัดไปก็จะเป็นสะน้ำใหญ่ประจำหมู่บ้านค่ะลองนึกภาพตามนะคะสองข้างทางไม่มีไฟมืดหมดมีรถผมคันเดียวบ้านคนแถวนั้นก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วพอผมขับรถจะเข้าโคง้งหางตาซ้ายเนี่ยก็ไปสังเกตเห็นอะไรแว บ, บๆอยู่ฝั่งซ้าย ก็เลยตัดสินใจหันไปดูขณะที่มือสองข้างยังคงบังคับพวงมาลัยเลี้ยวขวาตอนนั้นตกใจสุดขีดค่ะเห็นร่างขนาดใหญ่สีดำความสูงน่าจะซักคนคนสูงประมาณร8 0เนี่ยนะคะเพราะว่าสูงเกือบเท้าหลังคารถพอดีมันวิ่งอยู่ข้างรถค่ะคือวิ่งแข่งกับรถนะไม่ได้วิ่งตามนะมันวิ่งข้างข้างรถเลยผมนี่ตะโกนร้องเฮ้ยตกใจสุดเสียงคือตัวชาไปหมดขนลุกตั้งแต่หัวจรดขานะคะ ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกแล้วแต่พอผมขับผ่านโค้งนั้นไปได้มันก็หายไปด้วยอาการที่ตกใจพอผมหลุดโค้งไปได้ตอนนั้นนี่ตัวชาไปหมดเลยพอได้สติกลับคืนมาก็เข้าโค้งอีกแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือมองดูเข็มไม่เนี่ยมันอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะะผมรีบลดคันเร่งลงทันทีเพราะตอนนั้นตัวชาหน้าชาไปหมดพอถึงบ้านผมพยายามทาตัวปกติพ่อก็หาข้าวหาน้าให้กิน ระหว่างนั่งกินข้าวก็เลยถามพ่อบอกที่โค้งหมู่บ้านนี่มีคนตายหรือเปล่าพ่อหรือว่าคนที่อยู่บ้านหลังนั้นก่อนถึงโค้งนี่เขาตายหรือเปล่าพ่อก็บอกว่าพ่อก็ไม่รู้น่าจะยังไม่ตายหรอกผมก็ได้เงียบไปกินข้าวเสร็จอาบน้ําขึ้นบ้านนอนพอรุ่งเช้าก็เลยลองถามแม่ดูแม่อาจจะรู้ก็เลยได้ความว่าแม่บอกว่าโค้งนั้นเนี่ยคนเจอบ่อยบ้างก็ออกมาเป็นตัว ด, ำดำําๆออกมาให้คนเห็นออกมาไล่คนขับรถมอเตอร์ไซค์จนล้มบ้างก็บอกว่าเป็นแค่แสงวั บ, วบ คนในหมู่บ้านเราเวลาผ่านทางนั้นก็จะเจอประจำเจอจนหลอนเลยแหละค่ะช่วงสองทุ่มเป็นต้นไปไม่ค่อยมีใครออกจากบ้านหรอกแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันคือใครคือตัวอะไรคือผีของใครนค ะ, ะบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นกระสือบางคนก็บอกว่ามันเป็นของไม่ดีที่คนเอาไปปล่อยทิ้งลงสระน้า ของไม่ดีนี่หมายถึงพวกของขลังหรือว่าคุณใสยต่างๆที่คนไม่รักษาหรือว่าไม่ปฏิบัติแล้วก็เอาไปโยนทิ้งนะคะทุกวันนี้มันก็ยังคงค้างคาใจอยู่ว่าสิ่งที่เจอในวันนั้นคืออะไรผมมีสติสัมปชัญญะทุกอย่างไม่ได้คิดไปเองไม่ได้กลัวจนคิดไปเองเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีแต่ถ้าเจอเนี่ยมันตกใจมันก็หลอนล่าสุดประมาณกลางเดือนมการาแม่โทรมาเล่าให้ฟังว่า มีคนในหมู่บ้านไปเจอมีลุงคนหนึ่งขับมอไซค์กลับจากทุ่งนาตอนประมาณ2ทุ่ม้หมเห็นแบบผู้ชายตัวใหญ่ๆสีดำอยู่ข้างทางลุงก็เลยรีบขับไปตามคนในหมู่บ้านมาดูพอกลับมาดูอีกทีอ่ะมันหายไปแล้วสรุปคือใครผ่านมาทั้งนั้นคือโดนกันหมดนะคะถ้าเป็นผีเนี่ยนะคะก็ถือว่าเฮียนมาก แต่ไม่ใช่คนหรือสัตว์อย่างแน่นอนค่ะขอการันตีเรื่องที่ผมพบเจอมาเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นไม่ได้ปรุงแต่งใดๆนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะขออนุญาตนำเรื่องของคุณปอนค่ะมาเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องมองลอดช่องเรื่องราวและก็เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นคุณปอนบอกไม่ได้เป็นคนประสบพบเจอด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นเรื่องของน้าสาวของปอนที่อยู่คนละบ้านกัน เป็นคนพบเจอเหตุการณ์นี้เข้าก็เลยนำมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วนาะของปอนอาศัยอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าช่วงเวลานั้นได้ไปอาศัยอยู่บ้านของญาติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเนื่องจากว่ามีการจัดงานศพของลุงเป็นลุงของน้าที่นั่นน้าก็เลยเดินทางไปช่วยงานแล้วก็ค้างที่นั่นเลย สำหรับบ้านที่นาไปค้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นบ้านแบบบ้านไม้สองชั้นค่ะยกใต้ถุนสูงก็เหมือนกับบ้านต่างจังหวัดทั่วๆไปงานศพของคุณลุงก็จะมีการสวดพระอภิธรรมศพเพียงแค่3วันเนื่องจากว่าไม่ค่อยที่จะมีกําลังทรัพย์มากลุงของนาเนี่ยชื่อว่าลุงพจน์ลุงพจศเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะซึ่งถือว่าอ่าก็คือว่าลุงเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้าน แล้วก็เกิดหลับในจนรถนั้นเสียหลักพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าร่างของลุงกระเด็นออกจากรถเสียชีวิตคาที่หน้าของปอนก็ได้เดินทางไปร่วมงานแล้วก็อยู่ช่วยจนจบงานนะคะ ในส่วนของการช่วยงานนั้นวันแรกค่ะแล้วก็วันที่สองคือทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็มีญาติพี่น้องมาร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพพอสมควรทุกๆคนต่างก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของลุงพ์เพราะว่าลุงพศเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยตลกขบขันเป็นกันเอง ที่สำคัญก็คือลุงแกขยันทรมาหากินมากจนบางทีอาจจะทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่หรือที่เรียกว่าสุดโซ ม, มากไปนั่นเองนะคะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเช่นนี้ขึ้นได้จนกระทั่งเข้าสู่คืนที่3ก่อนเผาศพค่ะเหตุการณ์ทุกอย่างก็ยังคงดำเนินไปตามปกติเช่นเดิมจนถึงเวลากลางคืนหลังจากงานศพเสร็จสิ้นก็กลับไปนอนที่บ้านงานก็คือบ้านของลุงพศนะคะ บ้านหลังนั้นนอนกันทั้งหมด5คนมีเมียของลุงพจน์มีนา้ามีลูกของลุงพจน์แล้วก็ญาติผู้ชายอีกสองคนนะะีคะส่วนญาติที่เหลือก็นอนกันอยู่ที่บ้านใกล้ๆเพราะว่าที่บ้านมีบ้านที่ปลูกอยู่บริเวณนั้นเยอะพอสมควรเวลาก็ล่วงเข้าไปจนถึงตีสองกว่าน้าของคุณปอนนีกําลังนอนอยู่ในมุง้งในมุ้งก็มีเมียของลุงแล้วก็มีลูกของลุงนอนอยู่ด้วยส่วนอีกมุ้งหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ข้างกันก็เป็นญาติอีกสองคนกําลังนอนอยู่ หน้าของปอนลุกออกจากมุงเนื่องจากเกิดอาการปวดท้องเบานะคะหรือว่าปวดฉี่นั่นเองแต่ว่าบ้านที่น้าอยู่เนี่ยห้องน้ำมีอยู่ที่ชั้นล่างซึ่งน้านี่เป็นคนกลัวผีมาก ก็ไม่ค่อยกล้าจะลงไปในใจก็อยากจะปลุกใครไปเป็นเพื่อนแต่ว่าเกรงใจก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกห่างจากมุ้งสักประมาณหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะนั่งฉี่ผ่านร่องพื้นที่ปูด้วยไม้นค ะ, ะซึ่งพื้นนั้นเนี่ยมันจะมีระยะห่างของแผ่นไม้อยู่พอสมควรอยู่แล้วก็สามารถที่จะมองลอดไปเห็นใต้ถุนบ้านได้พอนะคิดแบบนั้นก็เลยนั่งลงละคะเตรียมตัวที่จะฉี่แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น น้าได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาจากทางหน้าบ้านลักษณะเสียงฝีเท้าที่ได้ยินเนี่ยคือเหมือนกับมีคนเดินเตะนูน่นเตะนี่นะคะหรือว่าสะดุดเศษขยะหรือไม่ก็กิ่งไม้ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนนั้นก็ไม่ได้ก้มไปมองนะคะเพราะคิดว่าเออแค่นั่งเฉยๆฉี่เสร็จก็จะกลับเข้ามุ้งไปนอนต่อ แต่ว่าเสียงฝีเท้าที่เดินใกล้เข้ามามันใกล้เข้ามามากขึ้นมากขึ้นก็เลยทําให้น้าเนี่ยต้องตัดสินใจมองลอดช่องลงไปสิ่งที่นาเห็นก็คือรูปร่างของผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งเดินเข้ามาใต้ถุนบ้านมือไม้เนี่ยเหมือนกําลังพยายามจะหยิบจับสิ่งของต่างๆผู้ชายคนนั้นเนะะี่ยเหมือนกับว่ากําลังจะหยิบฝาชีขึ้นเพื่อเปิดดูอาหารแล้วก็เปิดดูตู้กับข้าวแล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้ตรงโต๊ะกินข้าวนะคะ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าได้เปิดไฟชั้นล่างทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนก่อนเข้านอนก็เพราะว่าแสงที่ทําให้เห็นทําให้คุณนาเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนคือที่มาของความน่ากลัวค่ะจนนาเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวในทุกๆอิริยาบถของชายคนนั้นตั้งแต่เดินเข้ามาหยิบจับนู่นนี่คือทุกอย่างที่นาเห็นเนี่ยชายคนนั้นไม่มีศีรษะค่ะเป็นเหมือนกับคนที่หัวขาด ความรู้สึกของนาะตอนนั้นก็คือเหมือนกับคนกําลังจะเป็นลมสิ้นสติแต่ว่านาก็ค่อยๆรวบรวมสตินะะี่ะแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งกลับเข้าไปในมุง้งโดยมีอาการสั่นไปทั้งตัวพร้อมกับความกลัวสุดขีดอีกอย่างหนึ่งก็คือนาะนเนี่ยไม่ทันได้ฉี่ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ซะแล้วพอเช้าวันต่อมานาะก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้กับญาติแล้วก็เมียลุงพจน์ได้ฟังว่าสิ่งที่เจอคือใครนาะก็จําได้ถึงการแต่งตัวของชายหัวขาดคนนั้นว่าใส่กางเกงขา ย, ยาวใส่เสื้อลายรองเท้าแตะ ก็เล่าไปกับทุกอย่างที่เห็นทุกคนได้ฟังก็เงียบบางคนก็เริ่มจะร้องไห้ออกมาโดยเฉพาะลูกเมียของลุงนะคะเพราะว่าพวกเขาทั้งหมดรู้ดีว่าชายที่กลับบ้านมาเมื่อคืนนี้ที่นาของปอนได้เห็นผ่านช่องไม้กระดานก็คือลุงพจนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่ไม่มีหัวอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าสภาพศพของลุงนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงคอของศพไม่ได้ขาดแต่ว่าเกือบจะขาด เป็นในเชิงเละมากกว่านะคะเพราะว่าศพนั้นถูไปกับพื้นถนนค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเดอะช็อ k สตอรี่นะคะสำหรับเรื่องที่เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งกันก่อนค่ะเรื่องนี้ เป็นเรื่องของพรานไปล่าสัตว์เล่าให้ฟังตอนเที่ยวป่านะคะพรานนี้ชื่อพรานลุมค่ะเป็นพรานเฒ่าอายุเยอะมากแล้วแต่ก็ยังเป็นพรานที่เจนป่าอยู่คนรุ่นเดียวกับแกต่างก็เลิกเป็นพรานกันไปหมดแล้วแต่ว่าแกยังใช้ชีวิตเป็นพรานป่าเก็บของป่ามาขายในเมืองบ้างล่าสัตว์มาขายบ้างนำทางให้นักท่องเที่ยวบ้างถึงอายุจะเยอะ แกก็เป็นพรานที่มีคาถาอาคมร่างกายยังคงแข็งแรงไม่ว่าจะเข้าป่าถิ่นไหนแกก็เลยไม่กลัวค่ะเพราะว่าความที่เป็นคนที่มีวิชาอาคมติดตัวนั่นเองแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งแกแบกปืนเข้าป่าไปสองวันก็ยังไม่ได้สัตว์สักตัวนะคะก็เลยทำให้แกได้หงุดหงิดแกก็เลยตัดสินใจไปที่โป่งพงซึ่งชาวบ้านล่าลือกันน ะ, ะว่าผีดุค่ะไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าสัตว์ที่นั่นด้วยความที่แกงหงุดหงิด ที่เข้าป่ามา2วันแล้วยังไม่ได้สัตว์สักกตัวหนึ่งพรานลุมก็เลยเดินทางไปที่ป่งโพงนี้กว่าจะไปถึงก็ดึกสงัดแล้วพรานลุมก็ขึ้นไปนั่งคอยดักสัตว์อยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะคะรออยู่นานเลยละค่ะก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนหรือว่าอะไรผ่านมาเลยแกก็เลยตะโกนออกไปด้วยความหัวเสียบอกสัตว์มันหายไปไหนกันหมดวะหรือว่าผีป่ามันจะเอาไปกินหมดไม่เหลือไว้ให้กูล่าบ้างเลยคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ตะโกนออกไปได้พักเดียว ก็ปรากฏความเคลื่อนไหวขึ้นที่พื้นป่าด้านล่างพรานลุ่มเงียบเสียงทันทีแล้วก็เพ่งดูว่ามันคือตัวอะไรแกมองว่าเป็นสมเสร็จค่ะสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นตัวอัปมงคลของพรานทั้งหลายเนื่องจากเป็นสัตว์ที่รวมลักษณะของสัตว์หลายอย่างไว้ในตัวเดียวกันไม่มีลักษณะของอสมเสร็จหรือว่าที่เรียกว่าลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นตัวของมันเอง พรานรุ่นเก่าเล่าต่อกันมาค่ะบอกว่าถ้ายิงไปโดนส่วนไหนของสมเสร็จมันจะร้องเป็นเสียงของสัตว์ชนิดนั้นพรานลุมยิ่งโมโ ห, โหใหญ่เลยเมื่อเห็นว่าเป็นตัวอะไรเพราะนี่มันตัวอัปมงคลสําหรับพรานยิ่งหาสัตว์ไม่ได้อยู่แล้วก็ยิ่งมีตัวอัปมงคลโผล่มาอีกด้วยความโมหโหค่ะพรานลุมก็เลยยิงปืนไปที่สมเสร็จตัวนั้นปรากฏว่ามันมีเสียงร้องออกมาเป็นเสียงหมูพรานลุมก็เลยชะ ง, งักไปค่ะแล้วแกก็บอกว่าเอองงว่ะ คิดว่าเคยฟังพรานคนอื่นเล่าให้ฟังแต่เนี่ยคือเพิ่งจะได้เจอกับตัวเองวันนี้นี่เองที่เขายิงโดนส่วนของสัตว์ชนิดไหนว่ามันจะร้องเป็นเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ว่าสมเสร็จตัวนั้นก็ไม่ตายค่ะมันพยายามหนีออกจากตรงนั้นพรานลุมก็พูดว่าไอ้นี่มันหนังเหนียวแฮะเอาไปอีกนัดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ยิงซ้ําไปอีกนัดหนึ่งคราวนี้มันร้องเป็นเสียงช้างดังลั่นป่าเลยแต่มันยังไม่ตายมันก็ยังพยายามเดินเข้าป่าไปให้พ้นจากตรงนั้น พรานลุมตอนนั้นตะลึงที่ได้ยินเสียงสัตว์ถึง2ชนิดจากสัตว์ตัวเดียวแกกลับโกรธที่เสียกระสุนไปถึงสองนัดแต่ว่าสัตว์สมเสร็จตัวนี้ก็ยังไม่ตายแกก็เล่นยิงซ้ําไปอีกทีเป็นนัดที่3ามกะให้ตายแต่ว่าคราวนี้ถึงกับช็อกค่ะแกบอกว่าตัวกระสุนเนี่ยถูกตัวสมเสร็จแต่เสียงที่แกได้ยินหลังสุดเนี่ยก่อนที่สมเสร็จจะหนีหายเข้าไปในป่ากลับเป็นเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดนะคะบอกยิงฆ่าทําไม เสียงร้องแบบที่คนโกรธในเวลาดึกสงัดไม่กี่นาทีต้นไม้ที่แกนั่งอยู่มันก็โยกไหวแรงเหมือนมีคนมาเขยา่าทั้งที่ไม่มีลมเลยแม้แต่นิดเดียวแกตกใจค่ะคิดว่าโดนแล้วแกก็เลยรีบท่องมนต์คาถาอาคมที่นึกได้ทันทีแต่ว่าต้นไม้ที่แกนั่งอยู่กลับยิ่งโยกไหวแรงขึ้นทั้งที่ต้นอื่นก็ยังไม่เห็นไหวอยู่เหมือนเดิมพรานลุมแกก็เลยใช้วิธีสุดท้ายขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาณนะที่แห่งนั้น ต้นไม้ที่แกนั่งอยู่ก็เลยหยุดไหวพรานลุมนี่กลัวมากแต่แกบอกว่ากลัวขนาดไหนแกก็ยังไม่ขาดสติไม่ยอมหนีลงจากต้นไม้เด็ดขาดเพราะถ้าลงจากต้นไม้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรอีกนะคะถ้าลงไปคือตายแน่นอ น, นะคะ่ะแกก็ยอมทนนั่งอยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นยันสว่างแล้วก็รีบออกจากต่ากลับบ้านทันทีเมื่อกลับมาบ้านแกจับไข่หัวกรนผมหลุดร่วงไม่เข้าป่านอนซมอยู่ถึง2อาทิตย์ด้วยกัน คุณผู้ฟังลองหัดไปเที่ยวป่าป่าเขาใหญ่เขาเขียวนอนกลางเต็นท์สุกกับธรรมชาติถ้าเจออะไรผิดปกติตอนเที่ยวป่าคุณผู้ฟังจะทำอย่างไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราด้วยนะคะหากว่าผิดพลาดประการใดค่ะก็ต้องกราบขออาภัยคุณผู้ฟังมาณนะที่นี้ด้วยและก็สิ่งที่บีเองจะขอนะคะในช่วงทิ้งท้ายแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามหรือว่า Subscribe ภาษา YouTube ที่เขาเรียกกันนั่นเองนะคะเรื่องทั้งหมดก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เพราะว่าเรื่องทุกเรื่องนะคะที่บีเล่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกลับมาเจอะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ